พระบัญญัติ928ก็ภิกษุณีใดคัดค้านการดอกถินที่ชอบทมต้องอบัตปาจิตติเรื่องอุบาสกคนหนึ่ง